เมื่อวานนี้เราพูดถึงพระสูตรนะที่ว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพนุ์นามาได้สองข้อให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพธุ์ก็ทั่วทั่วไปก็แต่งเนื้อแต่งตัวได้ดีก็ดูสง่าราศี นะดูมีน้ำมีนวลดูมีผิวพันธ์ผิวพันธ์เนี่ยนะงามแล้วก็บอกไปแล้วว่าสำหรับนักบวชภิกษุเนี่ยหรือว่านักปฏิบัติธรรมนะผิวพันธ์ก็คือศีล น, นะศีลเป็นเครื่องประดับเป็นอา พ, อพระฉะนั้นผู้ที่รักษาศีลได้ที่ได้ดีนะก็เหมือนกับผู้ที่เนี่ยมีสงาาส่าราศีนะ อะไรอ่ะผ่องใสดูแล้วอะไรอ่ะน่าเคารพน่าศรัทธาน่าเรื่มใสนาะเนี่ยก็เป็นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมวันนี้เราก็มาขึ้นข้อต่อไปว่าให้ยานพาหณนะชื่อว่าให้ความสุขให้ยานพาหณนะทั่วทั่วไปเราก็รู้อยู่แล้ะให้อะไรให้รถ รถอะไรรถรถไอหนีจะป่าแบคโฮป่ะ <c oughs> นะรถอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> คือจริงๆแล้วเขาก็เปรียบอะจะเป็นรถเบน์รถซีตรองรถอะไรก็แล้วแต่ละหรือจะรถตุกๆก็ได้ <c oughs> คือยานพาหนะเนี่ยหมายถึงว่านำทางไงหมายถึงการพาไปนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเนี่ย <c oughs> สมมติว่า เราจะต้องไปที่นั่นไปที่นี่นะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งถ้ามีคนเขาให้เนี่ยให้ยานพาหนะเราใช้หรือทุกวันนี้เราใช้เงินเนี่ยก็เอาออกค่ารถให้ให้เราเนี่ยได้เดินทางไปไอ้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องไปลําบากอะไรมากนะก็ถือว่าเนี่ให้ความสุขอันนี้โดยทั่วๆไปนะให้ให้ให้รถลาให้ เงินค่ารถอะไรพวกนี้ถือว่าให้ความสุขแต่ถ้าโดยทางธรรมะเนี่ยนะอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับให้แหละให้ให้รถชนิดไหนที่จะเดินทางไป <c oughs> ไปพ้ <c oughs> นทุกข์ไ่ <c oughs> ไปนิพพาน <c oughs> จะต้องให้รถชนิดไหนถึงจะแบบว่าเป็นเป็นพาหนะที่ให้เราใช้เดินทางอืม อะไรที่เป็นความสุขของนักปฏิบัติธรรมอะไรเป็นความสุขของนักปฏิบัติธรรมต้องมีอะไรศี ส, ส, สิน่ะข้อที่แล้วไปแล้วบอกว่าให้ผ้านี่ก็ให้ผิวพรร์ น, นี่ก็คือศีนีน่ไงให้ศีนะเอาไม่รู้เหลออะไรที่ให้ความสุขสําหรับนักปฏิบัติธรรมโทรได้ยินอยู่เรื่อยอ่ะบอกโอ้โหคนนี้ออืดูถ้า นั่งแบบนี้นี่มีความสุขมากเลยอืนั่งเข้าฌานเนี่ยฌานเป็นตัวแสดงความสุขนะ ะ, ะนพันญานพาหนะของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีฌานฌานอะไรบ้างอ่ะฮะฌานชลา <c oughs> <laughs> พ่อท่านก็ชอบพูดว่าฌานมากหรือเปาฌานจะเป็นความสุขได้ไงมีฌานเนี่ยฌานฌานเป็นยังไงมี ฌานก็คือการเพ่งเผากิเลสฌานหรือว่ามีอะไรอ่ะมีสภาวะจิตที่มันสงบได้อ่าเขาเรียกว่าเป็นความสงบอันประณีตนะเนี่ยเนี่ยคือพวกที่ฝึกฌานแต่ฌานนี่มีทั้งฌานฤาษีแล้วก็มีทั้งฌานของพุทธฌานฤาษีก็เอาแต่อะไรอ่ะโดดเดียวเดียวได หาที่เงียบๆหาที่สงบนั่งหลับตาหรือว่าบําเพ็ญอะไรแบบชนิดแบบของฤาษีนะจนบางทีก็ติดสุขติดสบายแบบของฤาษีไปเลยแต่ต้องมีฌานเพราะถ้าไม่มีฌานอันนี้ไม่มีความสุขในการปฏิบัติธรรมคุณจะ ป, ปฏิบัติไปทาไมถ้าคุณปฏิบัติธรรมแล้วโอ้โหสู้กับกิเลสแล้วอะไรอะ ทนทุกข์ทรมานนันทั้งฝืนใจทั้งฝืดใจใครอยากปฏิบัติเพราะนั่นต้องมีความสุขในการปฏิบัติด้วยถึงอยากอยากปฏิบัติได้ต่ อ, ต อ, ตอไปเนั้นต้องมีฌานแต่ฌานอยู่ที่ไหนอะไรต้องอยู่ที่นั่นนะฌานอยู่ที่ไหนอะไรต้องอยู่ที่นั่นอะไร อ้าให้เดาปัญญาศีล<ส>อยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นชาญอยู่ที่ไหนปัญญาต้องอยู่ที่นั่นอันนี้เป็นข้อแม้เลยนะพบระพุทธเจ้าตรัสไปเลยเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหาความสุขโดยไปเป็นลักษณะชาญแบบลือสีสุขแบบชาญลือสีจะชา้นที่หนึ่งชันที่สองชั้นที่สามหรือชานที่สี่ก็ตามนะผมไม่มีเวลา พูดรายละเอียดทั้งหมดชานที่หนึ่งมีอะไรอาวิตกวิจารปีติสุขเอนะเอกรคตาชานที่หนึ่งเนี่ยมีมีครบหมดแหละแต่พอพอชานที่หนึ่งได้แล้วจะผ่านขึ้นชานที่สองเริ่มตัดอะไรทิ้งไปนะ เ, เริ่มตัดอะไรทิ้งไปในชานที่สองอ เริ่มตาพิตกวิจางทิ้งไปแล้วคือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องพิจารณาต่อไปอีกแล้วเพราะพิจารณาจบมาแล้วตั้งแต่ชานที่หนึ่งรนชานที่สองไม่ต้องพิตกวิจัยอีกแล้วเพราะว่าอะไรอ่ะเกิดปัญญารู้เรียบร้อยแล้วเห็นหั้ยเกิดปัญญาที่รู้เรียบร้อยนะอันนี้พูดแบบของพุทธนะคือเกิดปัญญารู้เรียบร้อยถ้าอย่างของพุทธแต่ถ้าอย่างของฤาษีคนนี้ ไม่ต้องมีปัญญาก็ได้ใช้กฎข่มมาอย่างเดียวคือไม่ปรุงไม่คิดถึงไอ้เรื่องที่เราทุกๆกุมกุมหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นอุปสรรคเข้ามาเป็นปัญหาในชีวิตเราพูดง่ายว่าอะไรอ่ะกูไม่เอามึง <c oughs> นะพูดภาษาง่ายๆคือไม่ต้องสนใจไม่ต้องยุ่งเกี่ยวไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องไปคล้องแวะอะไรด้วยเลยอย่างเงี้ย แบบแบบหรือสีเอาอย่างนี้คือตัดทิ้งไปเลยแต่ต่างจากของพุทธของพุทธนี่วิตกวิจารอย่างชนิดที่เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ต้นตอรู้ที่มาว่าต้นเหตุมาจากอะไรนะพิจารณาจนกระทั่งรู้ว่าดับทุกนี้ได้ยังไงนั้นละถึงได้เกิดปิติเกิดสุขแล้วก็ถึงจกอุเบกข า, าหรือเอกคตาอุเบกขาก็อุเบกขาแบบพุทธด้วย ไม่ใช่อุเบกขาแบบลือสีอ้าวพอชานที่สองไม่ต้องวปตกวิจารณ์แล้วพอขึ้นมาชานที่สามอะไรอีก ต, ตัดอะไรได้อีกไ อ, อ่ชานหนึ่งขึ้นมาชานสองใช่ไหมอันนี้ชานสองขึ้นไปชานสามอ้าก็ตัดปิติออกไปได้คือสบายแล้วนี่ตอนนี้คนเราสบายที่สุดเนี่ยไม่ใช่คุณสังเกตไหมถ้าให้คุณอ้าปากแล้วก็หัวเราะ เกือบแบบหัวล่อบแบบเต็มที่เลยนะคุณว่าคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยสู้สู้แบบอะไรสู้แบบแหมมีจิตแช่มชื่นเบิกบานยินดีพอใจอย่างชนิดไม่ต้องเหนื่อยไม่ดีกว่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะขึ้นไปชานที่ส า, สามนี่นะก็จะตัดพวกปิติออกไปอพอขึ้นจากชานที่สามจะขึ้นไปชานที่สี่ตัดใจออกไปอีกตัดสุขออกไป สุขอันนี้ก็สุขแบบือสีแล้วก็อย่างหนึ่งสุขแบบของพุทธก็อีกอย่างหนึ่งนี่พูดข้าวๆไวๆนะไม่รู้ละใครตามได้ก็ตามตามไม่ทันก็ไปพิจารณาต่อเองสุขก็มีสองอย่างนะหรือหรือพระเจ้าท่านใช้ว่าสุขแบบมีอามิ t หรือ ส, สุขแบบไม่มีอาาะฉะอันสุขแบบของดูสีเนี่ยน้า มันยังมีแบบสุขแบบชนิดที่เรียกว่าทั้งอมิตรทั้งไม่มีอมิตรก็ไม่มียิ่งกว่าไม่มีอมิตรอีกสุขแบบของพุทธเนี่ยนะคือคนโลกโลกทั่วไปเนี่ยเขามีความสุขเนี่ยเขายังมีอมิตรก็คือว่าบางทีได้กินอร่อยก็สุขใช่ไหมได้เห็นสิ่งที่ตัวเองชอบก็สุขหรือว่าได้อะไรอ่ะ ได้ใส่เสื้อผ้าได้อะไรที่ที่ที่เป็นอามิตรแต่เป็นวัตถุเป็นข้าวของเป็นอะไรเงินทองถ้าได้มาแล้วตามที่ตัวเองต้องการอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขอันนี้ก็ถือว่าสุขโลกโลกทั่วๆไปแต่พอสุขแบบฤาษีเนี่ยไม่ต้องมีอา mith ก็ได้คือไม่ต้องเป็นวัตถุไม่ต้องเป็นข้าวของก็ได้แต่สุขแบบชนิดโอ้โหอยู่เฉยเฉยไม่ต้องยุ่งกับใครเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยแสนสบาย สุกิงหนอสุกจริงหนอแสนสบายก็ได้ใช้ใช้เสพในความคิดเนี่ยหรือเขาเรียกว่าภวะตันหาคือเสพในความยินดีความพอใจแบบเสพในความคิดได้เนี่ยสุขแบบของฤาษีเนี่ยอ ย, อย่างเงี้ยสุขแบบมันยังเสพความสุขของภายในของตัวเองที่ที่สบายแล้วเนี่ยก็เสพติดอยู่อย่างนั้น หวันพวกที่เข้าฌานที่เป็นแบบพวกฤาษีถึงชอบไงชอบนั่งสมาธินั่งโดยที่เรียกว่าไม่ต้องปรุงไม่ต้องคิดอะไรแล้วสบายโอ้ถ้าคุณทำได้จริงๆคุณสบายจริงๆเลยนะแบบของฤาษีเนี่ยสบายจริงๆแล้วก็ติดเนี่ยถึงได้ติดสุขแบบของฤาษีเนี่ยจะติดมากๆด้วยติดจนกระทั่งอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นท่าที่ปล่อยแล้วไม่ยอมไป ถ้าที่ได้รับการปลดปล่อยเนี่ยแต่ไม่ยอมเลิกจากความเป็นทาตเพราะอยากเป็นทาตความสุขแบบนี้ต่อไปอีกอันเนี้ยล้วถึงได้มีสัมนวนนี้ขึ้นมาเพราะมันสบายจริงๆอคุณจนบางทีเนี่ยนั่งไปเหอะไม่ต้องกินไม่ต้องนอนอะไรหลายๆวันหลายๆชั่วโมงอะไรนั่งสบายเลยคุณแต่ไม่ใช่อย่างของพุธอย่างของพุธบอกแล้ว สุขจะไม่ใช่แบบนี้เลยสุขแบบว่าเรารู้เราเข้าใจนะว่าเออกิเลสอย่างนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราพิจารณาวิตกวิจารณแล้วใช่ไ้แล้วเราก็รู้ว่าจะดับทุกอย่างนี้ได้ยังไงดับกิเลสนี้ได้โดวยวิธีอย่างนี้อย่างงี้จะเข้าใจเลยแล้วก็เลยคราวนี้ก็ป่วยง่ายว่าก็ตัดใจไปตัดใจจากกิเลสพวกนี้ตัดความอยากตัดความติด ตัดความชอบอย่างนี้มันเป็นความสุขที่ไม่มีอามิ t ยิ่งกว่าไม่มีอามิ t <c oughs> ฟังนะั่นสำมวนที่เป็นสำนวนในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านใช้สำนวนแบบนี้คือมันสุขยิ่งกว่าสุขหรือพูดง่ายว่าเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั่วๆไปนะหรือเราใช้คำว่าบรมมาสุขอันเนี้ยสุขแบบของพุทธจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ไม่มีหวนคืนด้วย ไม่มีว่าสุขอย่างนี้แล้วต้องกลับไปทุกข์อีกไม่มีเรียกว่ามันจะเที่ยงเลยมันจะแน่นอนมันจะถาวอนขึ้นไปเลยเพราะว่าเป็นสุขที่มันปล่อยวางจริงๆไม่ได้ยึดไม่ได้ไปติดอะไรอีกแล้วนะอันนี้อันนี้พอจากชานสามจะขึ้นไปชานสี่ก็ตัดอะไรเอาไปอีกอืมตัดอะไรเอาไปอีกเออตัดสุขแล้วยังไมันก็ขึ้นไปไดอูบเบคา นะก็คงไม่พูดอะไรต่อไปอีกแล้วอุเบกขาก็บอกแล้วก็รู้แล้วอุเบกขาอย่างของฤาษีก็อย่างห น, นึ่งนะก็คือนั่นแหละสบายของตัวเองแล้วเอาตัวเองรอดสบายเท่านั้นพอไม่ต้องยุ่งเกี่ยวไม่ต้องช่วยเหลือไม่ต้องไปทําประโยชน์อะไรให้อะไรใครอีกแล้วแต่ของพุทธไม่เหมือนกันเลยอุเบกขาแบบของพุทธนี่มีประโยชน์ตนแล้วก็มีประโยชน์ท่านช่วยเหลือคนอื่นนี่คือความแตกต่างนะ เพราะนั้นอุเบกขาอย่างของพุทธจะมีประโยชน์ตัวเองเนี่ยก็สบายแล้วแล้วก็ยังทำให้คนอื่นเนี่ยได้สบายได้มีความสุขอย่างถูกต้องด้วยอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะเนี่ยนี่เนี่ยนะผู้ให้ญาณพานะชื่อว่าให้ความสุขเพราะฉะนั้นคนที่สามารถที่จะให้ญาณให้เราเกิดปัญญาอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงได้ นะเราถึงจะเป็นคนที่พ้นทุกข์หรือว่าได้ความสุขอย่างแท้จริงได้ถ้าถ้าใครยังไม่เข้าใจฌานที่ถูกต้องที่แท้จริงนะอย่างฤาษีเนี่ยเขามีความสุขขนาดหนึ่งแบบของฤาษีก็กดข่มเอาไว้แต่ในที่สุดแล้วอำนาจที่กดข่มไว้เนี่ยมันหมดเมื่อไหร่นะคุณก็จะต้องเวียนกลับมาเป็นแบบที่เคยมีกิเลสอยู่ก็เวียนกลับมา ให้ไปกินสูบดื่มเสพให้ไปทำอะไรแบบโลกโลกกลับคืนมาใหม่อีกทีก็จะวนอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดวันมีแต่ศาสนาพุทธนะที่ได้ความสุขจนกระทั่งถึงอุเบกขาแล้วนี่ถึงได้ศูนย์ได้ถึงได้ไม่เวียนกลับมาเกิดกิเลสอีกได้เลยกิเลสเนี่ยมันจะขาดไปจากเราขาดแล้วก็ขาดเลยเหมือนกับอะไรนะ ขายขาดไม่รับคืนขายแล้วมาคืนนีไม่รับคืนแล้วคุณขายขาดลอะอันนี้นี่นะผู้ให้ยานคือผู้ที่ให้ความสุขต่อไปบอกว่าเนี่ยผู้ที่ให้ประทีบโคคไฟชื่อว่าให้ดวงตาก็รู้ๆ ก, กันอยู่ใครมาช่วยติดไฟดิออนให้หรือไฟอะไรนะไฟตะเกียงให้หรือจุดเทียนให้ก็ตาม เนี่ยก็ให้แสงสว่างทำให้เรามองเห็นอะไรต่ออะไรได้อันนี้ก็เข้าใจละทั่วๆไปก็รู้อยู่ว่าเออก็เหมือนกับให้ดวงตากับเราเพราะว่าถ้าคุณไปอยู่ในที่มืดเนี่ยมืดตึ๊ดตือเลยนะฉันี้แต่คุณมองไม่เห็นอะไรเลยเราจะมองเห็นอะไรได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรทำให้คนมองเห็นได้เออเพราะมันมีแสงเนี่ยไปตกกระทบวัตถุใช่ไหมแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ตาเราทาให้เราเห็น ตัวตนบุคคลเห็นไอ้นนเห็นไนอนนไ้นี่ได้แต่ถ้าในความมืดเนี่ยมันไม่มีแสงไปกระทบวัตถุนั้นแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ตาเราเราก็เหมือนคนตาบอดเลยคือจะมองอะไรไม่เห็นวันโดยทั่วๆไปนะเรารู้อยู่แล้วว่าเออเนี่ยเี่ยใครช่วยให้แสงสว่างนะใครซื้อตะเกียงมาเป็นของ ข, องขวัญวันเกิดให้ <laughs> อ้าวเราก็ไม่ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ก็ให้เรารู้ว่าเออนี่นี่แหมเหมือนกับให้ดวงตาเราคือให้เราได้เห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนแต่เห็นแค่วัตถุเห็นแค่ภายนอกยังไม่มีดวงตาภายในอ่าเพราะถ้าอันนี้เนี่ยถ้าพูดให้ลึกซึ้งขึ้นเราจะได้เห็นว่าอย่างเช่นมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอา้าวใครเป็นผู้จุดแสงสว่างให้ทําให้เรามีดวงตาเห็นธรรม เห็นธรรม ะ, ะเห็นเห็นอะไรอะ่ะรู้อะไรถูกรู้อะไรผิดแล้วก็ผิดเราไม่ทำเรามาทำในสิ่งที่ถูกเนี่ ย, ย, ยคือมีดวงตาเห็นธรรมนะเป็นดวงปฏิทีบิเพราะฉะนอันนี้แต่ละคนก็แล้วแต่อย่างบางคนก็บอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอุบัติขึ้นในโลกนี้แล้วท่านก็อะไรอะ่ะเมืองกับ แมดวงปรทีบหรือไฟดวงใหญ่ไฟดวงที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรไฟดวงที่ใหญ่ที่สุดไฟอะไรไฟไฟที่เห็นเนเนี่ยเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยไฟอะไรที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะไปใหญ่เท่ายัางไงเนาะดวงจันทร์มันไม่มีแสงในตัวเองด้วยนะต้องให้ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องแสงให้ เ, เขาถึงเปรียบไงเปรียบพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับดวงอาทิตนะเขาก็เปรียบอย่างนั้นม้น เ, เหมือนกันอ่าบางคนก็แหม่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับผู้ที่ให้ให้ดวงตาเห็นธรรมอ่แต่นี้อย่างเราเนี่ยเอาชาตินี้เราก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้ายังมีคําสอนมีอะไรต่างต่างทิ้งเอาไว้ให้เราได้ศึกษานะหรือบางทีบางคนก็ไปเจอเอาใครอะ่ะผู้ธรรมะให้เราฟัง หรือว่าพูดอะไรดีๆก็ได้ที่ทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้จริงๆไม่ใช่พูดบรหลอกบาล่อแล้วทำให้เราดีใจนะไม่ใช่นะไอบิดาทิฐินี่ไม่ต้องพูดถึงแต่อันนี้นี่พูดสัมมาทิฐิพูดอย่างถูกต้องพูดอย่างสุจริตพูดด้วยความจริงใจพูดเป็นประโยชน์ให้เราเรารับฟังเรารับรู้แล้วเราก็ได้เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยู้นั้นน่ะคือผู้ที่ให้แสงสว่างกับเรา หรือเหมือนกับให้ดวงตากับเรานะอันเนี้ยเราจะต้องรู้แล้วก็ควรที่จะรู้คุณด้วยว่าเออเอเอผู้นี้เป็นผู้มีคุณกับเราให้ปัญญาก็ก็ได้ก็เหมือนกันนั่นแหละก็ดวงตาก็คือให้แสงสว่างก็คือให้บางทีเขาใช่งี้ให้ดวงตาปัญญาไงีางทีให้ปัญญาในทางธรรมะนั่นแหละ ก็เหมือนกันส่วนข้อต่อไปเนี่ยบอกว่าให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าทั้งหมดนะที่ให้ให้มาจะให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ยานพานะให้ประทีปโภมไฟอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่เท่ากับผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัย เพราะผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยเนี่ยเท่ากับเป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราเลยเพราะอะไรให้ที่พักพาอาศัยเราเนี่ยเพราะว่าเอาให้คุณมาพักที่นี่นะมากินมานอนมาอยู่ที่นี่เลยนะเท่ากับว่าอาหารก็ต้องให้เสื <c oughs> ้อผ้าอะไรก็ต้องให้แสงสว่างหรือว่าอะไรจุดเทียนจุด โคมไฟจุดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้คุณไม่ใช่ให้บ้านลางๆ <c oughs> ให้คุณไปอยู่แล้วไม่มีอะไรเลยนอกนั้นคุณต้องช่วยตัวเองไม่ใช่หรือพูดภาษาพระเนี่ยพูดง่ายว่าเป็นสาระไงเป็นที่พึ่งอ่าถ้าพูดโดยทางธรรมะอะไรเป็นที่พักพาอาศัยของพุทธศาสน ก, กชนเราพึ่งพาอาศัยอะไรเป็นสาระเป็นที่พึ่ง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแหละพระุทธเจ้าถึงตรัสว่าขนาดอะไรนะผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาอย่างแท้จริงเลยนะศรัทธาในพระสงฆ์ถ้าศรัทธาอย่างอย่างแท้จริงอย่างนี้แล้วโอ้โหเนี่ยเที่ยงแท้เลยนะพวกนี้เที่ยงแท้เลยเรียกว่าไม่มีจิตจะไปเป็นอย่างอื่นแล้ว เรียกว่าจะมั่นคงจะจะถาวรจะแน่นอนได้ต่อต่อไปเลยแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าโดยทางธรรมะก็ให้เป็นที่พึ่งเพราะว่าอะไรพอคราวนี้บางทีเนี่ยคุณดูนะอย่างอย่างพวกเราหลายคนอาจจะยังอยู่บ้านอยู่แต่ว่าบางทีเราก็มาพักอยู่วัดบ้างใช่ไหมคุณมาพักอยู่วัดคุณใช้อะไรบ้างอะ คุณก็ต้องใช้ทุกอย่างอ่ะอาบน้ำคุณก็ต้องใช้น้ําวัดย <c oughs> ินข้าวคุณก็ต้องกิงข้าววัดใช่ไหมเสื้อผ้าคุณอาจจะเอามาเองจากที่บ้านก็แล้วแต่แต่ถ้าเอามาอีกหน่อยมันเก่ามันขาดมันเสียหรือว่าอะไรใช่ไหมอยู่วัดแบบอยู่จริงๆอนะคุณแบบเป็นเด็กวัดแล้ว <c oughs> ไม่ต้องมีเงนมีทองของตัวเองคราวนี้ก็ต้องใช้ส่วนกลางแล้ะใช้ส่วนของวัดแล้ววันทุกอย่างเลย ธรรมาถึงบอกว่าเป็นที่พึ่งทุกอย่างเวลาทุกอะไรน้ำไม่ไหลไฟดับอา้าวทำไงก็ต้องช่วยเหลือก็ต้องแก้ไขกันใครช่วยเหลือได้ใครแก้ไขได้ต้องช่วยเหลือแก้ไขเพื่อให้อะไรนะอะไรนะไอท้ที่สมัยยมพณสลิดอ่ะที่เขาบอกอะไรนะน้ําไหลอะไรอนะ่ะ ที่บอกว่างานดีน้ำไหลไฟสว่างาอะไรเงินดีเหรอมีงานทำอะไรางานเดิน <laughs> อะไรทำนองนี้จำไม่แม่นแล้วป้พูดพูดเกี่ยวกับพวกนี้นายเห็น่าแหมโอโ้โหอะไรจะเจริญรุ่งเรืองนะได้ดีได้ดีนี่แหละก็เหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ ให้ที่พักอาศัยแบบเนี้ยเป็นสารณะเป็นที่พึ่งได้กุณอย่าคิดแต่อาที่พักพาอาศัยคิดแต่เป็นเป็นบ้านเป็นช่องเพียงอย่างเดียวนะอันนั้นเป็นแค่วัตถุภายนอกแล้วกี้นี่อจะมาบอกแล้วสารณะของเราเนี่ยเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นที่พักพาอาศัยทําให้เราเนี่ยอะไรอ่ะมีความสุขมีความสบายมีความเบิกบาน มีความพ้นทุกได้บางทีดียิ่งกว่ามีบ้านซะอีกใช่ไหมเพราะว่าบางทีมีบ้านน่ะทุกจนบ้านพังอะ่ะ <c oughs> ทุกจนเรือนทลายอ่ะเขาบอกใช่ไหมละ่ะบางทีอแต่ถ้าคุณมีพระพุทธเนี่ยคุณมีคุณมีพระพุทธเป็นที่พึ่งเนี่ยพระพุทธอะไรอะ่ะพระพุทธคืออะไรพุทธะเนี่ยเออเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานโอ้โหคุณมี พระพุทธอย่างนี้เป็นที่พึ่งได้คุณสบายแน่ต่อให้คุณไม่มีบ้านไม่มีช่องเนืคุณต้องนอนไอ้ตามป้ายรถเมย์ตามอะไรคุณยังมีความสุขได้เลยรับรองว่าคุณพ้นทุกได้หรือพระธรรมเงี้ยคำสอนของพูะเจ้าหรือคำสอนดีๆต่างๆเราสามารถเอามาใช้ดับทุกข์เราได้หรือแก้ปัญหาได้บางครั้งมีปัญหาโน่นมีปัญหาหนี่โอ้โห ได้อ่านหนังสือดีๆได้อ่านหนังสือธรรม ะ, ะได้ฟังเทปธรรมะอะไรงี้โอ้โหฟังแล้วโอ้โหช่วยคลายจิตคลายใจเราทําให้เราไปแก้ปัญหานั้นๆได้หรือพระสงฆ์ครนนี้เป็นตัวตนบุคคลขึ้นมาแล้วเป็นที่พึ่งของเราได้ยิ่งสามารถไปถามปัญหาได้เรายังคล่องใจเรายังสงสัยมีอะไรไม่รู้มีอะไรไม่เข้าใจหรือมีอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาในชีวิต มาถามท่านแล้วเออท่านก็ช่วยแนะนําท่านช่วยบอกทําให้เราเนี่ยพ้นทุกได้เพราะถึงได้พระเจ้าถือเดชตรัสว่าเนี่ยผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งนะผู้พั่มสอนธรรมชื่อว่าให้ความพ้นทุกให้ความดับกิเลสเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ยาบาลนะให้ดวงบัตีบ ให้ที่พักอาศัยทั้งหมดนี่มารวมลงตรงสุดท้ายผู้เจ้าท่านสรุปว่าเนี่ยผู้พัมสอนธรรมชื่อว่าให้ความพน้นทุกถ้ามารวมลงที่ตรงนี้เพราะบอกแล้วว่าไอเรื่องทั่วๆไปเนี่ยให้อาหารเนี่ยก็ททำบุญทำทานเรื่องของอาหารทำบุญทำทานเรื่องเสือ้อผ้าทำบุญทำทานเรื่องยานพานะทำบุญทำทานเรื่องให้ไฟฟ้า ให้มาทีปโกมไฟอา้าวนะหรือว่าเนี่ยให้ที่พักอาศัยอะไรต่างๆให้บ้านให้คอนโดมิเนียมให้คนได้พักให้คนได้อยู่ต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมารวมลงตรงที่เรียกว่าให้เพื่อให้เขาพ้นทุกเพราะฉะนั้นความพ้นทุกเนี่ยมันมีทุกทางกายอย่างหนึง่งกับทุกทาง จ, จิตใจทุกทางกายนี่ช่วยไม่ยาก สงเคต่างๆเนี่ยช่วยในทางทุกทางกายเนี่ยซะส่วนใหญ่หรือให้ให้เขาพ้นทุกทางใจก็ทุกทางใจแบบที่ตามกิเลสเขาดูนะถ้าสงเคทางวัตถุเนี่ยอย่างเช่นบ้านเขาไฟไหมโอ้โหมาช่วยมาช่วยเหลือให้ข้าวของให้เงินทองให้สิ่งจำเป็นที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่เออเขาก็ พ้นทุกมาได้ขนาดนึงนะเขาก็มีความสุขขึ้นมาแต่สุขของเขาเนี่ยกิเลสไม่ได้ลดนะสุขของเขาเนี่ยสุขของเขายังจะอยากมีบ้านอีกอยากมีเงินทองเออยากมีงานทำอยากจะได้มาอีกมากๆเพื่อที่จะมาสร้างบ้านใหม่เขาจะได้มีที่อยู่ที่มันโอ้โหเพอเออาจจะต้องใหญ่กว่าเดิมหรืออาจจะต้องแข็งแรงกว่าเดิมชนิดทีเดียวกับคราวนี้ จุดไฟไม่ติดเลยไฟไหมเรียกว่าไม่พังเอาเขาอาจจะจะโลภอย่างนั้นมากขึ้นก็ได้เพราะนี่สงเคราะห์ในทางวัตถุเนี่ยยังไม่ได้สงเคราะห์ทางจิตใจจริงๆเพราะสงเคราะห์ทางวัตถุเนี่ยทำให้เขามีกิเลส เ, เพิ่มขึ้นหรือว่าไม่เพิ่มขึ้นแต่กิเลสที่เขามีอยู่เนี่ยมันยังมีอยู่อย่างเดิมเขาก็ยังมีความโลภที่เขามีอยู่นะมากเท่าไหร่ก็ยังมีอยู่มากเท่านั้น เพราะฉะนั้นมันช่วยได้แต่ทางกายเท่านั้นทางจิตจริงๆไม่ช่วย